สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูหนึ่งร้อยเก้าสิบสามอุปมากเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาตอนที่สองครับในวันนี้นั้นผมอยากจะขออนุญาตใช้เป็นเสียงเพลงครับแล่ผมอยากจะอ่านเนื้อเพลงให้กับพี่น้องฟังและเพลงนี้มีชื่อว่าพร้อมหรือยังอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับถ้ากดไปที่ลิงก์ตามที่เป็นตัวอักษรสีน้าเงินนะครับ ท่านก็จะได้ฟังเพลงเพราะมากครับแต่ทีนี้นั้นพวกเราสมัยก่อนนั้นเราร้องกันเสมอครับเพื่อที่จะเตือนพี่น้องให้พร้อมในการที่เราจะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูเนื้อร้องอีอย่างนี้นะครับว่าพร้อมหรือยังหากว่าพระคริสต์กลับมาพร้อมหรือยังหากโลกต้องสูญสิ้นไปวันเวลาไม่คอยค่าจงเตรียมให้ดี เพื่อจะมีความชื่นชมยินดีช่วนนิรันดร์พี่น้องครับลองคิดเข้าไปฟังนะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่าขวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะทรงนําพี่น้องให้ได้มีโอกาสไขควงถึงเนื้อความของเพลงนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะมีชีวิตที่เตรียมพร้อมเสมอหลายคนบอกว่าพร้อมแล้วแต่จริงๆริงยังครับและหลายคนบอกว่ายังไม่พร้อมแต่เขาก็พร้อมเสมอนะครับคนต้นจะกลายเป็นคนปลาย คนปลายกลายดป็นคนต้นนะครับหากว่าเรายังสละยศถาบรรดาศักดิ์เรายังสละชื่อเสียงเรายังสละเงินทองไม่ได้เราก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นสาวกของพระเยสูแต่นั่นหมายความว่าเรายังไม่พร้อมครับถ้าเรามีจิตใจที่ฝักใฝ่กับอยากเยื่อเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เปาโลอัครทูตได้บอกว่ า, าพระพเจ้านั้นเห็นโลกเป็นเหมือนอยากเยื่อครับ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะฟังเพลงนี้ไข้ครวนและดิวเดเวอชัเพลงนี้นะครับให้ได้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตไจิีวิญญาณของพี่น้องและเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่คําอุปมาในวันพรุ่งนี้ต่อไปข้าพเจ้าส่งอวยพรพแต่อยากจะให้พี่น้องเองนั้นได้มีสันติสุขขอโปร่งรงโปรดพระเจ้าส่งโปรดและเมตตา ทั้งพี่น้องกับผมด้วยในการที่จะมีสันติสุขในพระเจ้าจะมีความพร้อมในการที่จะเตรียมตัวต้อนรับพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอาเมน